พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่ากาเลนะธรมัมิสวนงังเอตํมมังกลมุตตมังการได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมตามการตามเวลาก็หมายถึงทุกวันพระวันธรรมะสวะนา คือวันขึ้นแรมแปดคำ่คำเจ็ดคำ่ำสิบห้าค่ำหรือสิบสี่ค่ำอันนี้เป็นตามปฏิทินของจันทรคติในสมัยปัจจุบันนี้เราใช้ปฏิทินทางศุริยะคติวัน หยุดทำงานของเราจึงมักจะไม่ตรงกับวันพระคือไม่ตรงกับวันขึ้นแรมแปดคำหรือเจ็ดคำหรือสิบห้าคำสิบสี่คำเราเลยต้องใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันฟังธรรมกันเพราะ เป็นวันที่เราไม่ต้องทำงานทำการแต่จะเป็นวันแรมขึ้นแรมสิบห้าข้หรือหรือไม่จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่แตกต่างกันความสำคัญอยู่ที่การได้ยินได้ฟังทรรมการฟังทรรมถ้าเรา ฟังให้เกิดผลให้เป็นมงคลเราก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบขณะที่ฟังธรรมเราถึงไม่ควรจะทำอะไรควรจะนั่งเฉยๆและไม่ควรพูดคุยกันใจก็ไม่ควรคิดถึงเรื่องต่างๆใจควรจะ ตั้งจิตตั้งใจจดจอ่ออยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียวความสงบทางกายทางวาจานี่ก็คือศีลส่วนความสงบทางใจก็คือสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิเวลาฟังธรรม ก็จะเกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเกิดความหลุดพ้นขึ้นมานี่คือการฟังธรรมที่ถูกหลักที่เป็นมงคลอย่างยิ่งต้องฟังด้วยศีลด้วยสมาธิ แล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดการบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาอย่างในสมัยพระพุทธการเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาะก็จะปรากฏมีผู้มีดวงตาเห็นธรรมมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆกันเพราะ ผู้ฟังก็ฟังด้วยศีลด้วยสมาธิผู้แสดงก็แสดงด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมในพระอริยสัจ ส, สีพอผู้ได้ยินได้ฟังมีศีลมีสมาธิพอได้รับปัญญาจากผู้แสดงก็สามารถบรรลุ ทำขั้นต่างๆได้นี่แหละคือมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตไม่มีอะไรจะเป็นมงคลยิ่งกว่าการได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุทำขั้นต่างๆเพราะการได้บรรลุธรรมนี้จะนำความดับทุกข์มาให้จะนำความสุขมาให้แก่ใจนั่นเอง และจะเป็นการดับทุกข์อย่างท้าวรเป็นการได้รับความสุขอย่างท้าวรไม่เหมือนกับการดับทุกข์ไม่เหมือนกับการได้ความสุขอย่างที่พวกเราได้กันอยู่ในขณะนี้เป็นการดับทุกข์เพียงชั่วคราวเป็นการได้รับความสุขเพียงชั่วคราว ดับทุกไปแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็กลับขึ้นมาใหม่ได้รับความสุขมาแล้วความสุขนั้นก็จางหายไปต้องหาความสุขใหม่อยู่เรื่อยๆต้องคอยดับทุกขอยู่เรื่อยๆและหลังจากที่ตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาหาความสุขใหม่กลับมาดับความทุกข์ใหม่ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามได้ทำใจให้ดับบลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทำใจให้สงบให้มีความสุขตลอดเวลาได้เท่านั้น ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันที่จะสามารถพบกับความสุขที่ถาวรได้พบกับการดับทุกข์ที่ถาวรได้การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเจงถือเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นมงคลอย่างยิ่ง และการที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นมงคลอย่างยิ่งเช่นเดียวกันเพราะถ้ามีพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการฟังธรรมพระพุทธศาสนาก็ไม่มีประโยชน์อะไรประโยชน์ของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การศึกษา พ่อธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าและอยู่ที่การปฏิบัติตามพ่อธรรมคําสอนของพพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรรลุธรรมขึ้นมานั้นเองดังนั้นการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากจําเป็นอย่างมากและต้องฟังด้วย กายวาจาใจที่สงบถึงจะสามารถรับธรรมเข้าไปข้างในใจได้ถ้ากายวาจาใจไม่สงบฟังแล้วก็จะไม่เข้าไปในใจจะไม่เกิดความเข้าใจจะไม่เกิดการบรรุธรรมขึ้นมานี่คือหลักของการฟังธรรม ที่จะเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตต้องฟังด้วยศีลต้องฟังด้วยสมาธิเราจึงควรที่จะคอยควบคุมกายวาจาใจของเราให้สงบอย่าปล่อยให้ไปทำอะไรต่างๆ ถ้าอยากจะทำอะไรก็รอให้การฟังทำเสร็จสิ้นไปก่อนหรือถ้าจำเป็นจะต้องไปทำก็ควรที่จะปลิดตัวออกไปไม่ควรจะทำหรือพูดอยู่ในสถานที่ที่มีการแสดงทำกันเพราะจะเป็นการรบกวนตนเองและผู้อื่น ตนเองก็จะไม่ได้รับประโยชน์ผู้อื่นก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมเพราะจะมีเสียงมีอะไรต่างๆมารบกวนมาทำลายสมาธิในการฟังธรรมนั่นเองการฟังธรรมนี้ก็ฟังได้สองลักษณะด้วยกันฟังเพื่อให้เกิดความสงบ เรียกว่าสมาธิหรือฟังให้เกิดปัญญาเกิดสมาทิฏฐิคือเวลาฟังธรรมนี่บางทีธรรมะที่เราฟังเราอาจจะยังไม่เข้าใจเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่เคยพิจารณามาก่อนพอฟังก็จะ ไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่สามารถพิจนารณาตามได้ก็จะไม่สามารถเกิดปัญญาเกิดการบรรลุ ธ, ธรรมขึ้นได้แต่เราก็สามารถฟังเสียงธรรมได้โดยใช้เสียงธรรมเป็นที่เกาะใจไว้ให้ใจมีอะไรเกาะไว้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้ใจเกาะอยู่กับเสียงธรรมไปฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้ใจอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่านั้นขอให้เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อยๆเสียงธรรมนี้ก็จะทำให้ใจสงบได้นางับความฟุ้งสราได้ทำให้ใจเย็นมีความสุขได้ ดับความทุกข์ที่เกิดจากการวุ่นวายใจก็จากความฟุ้งร้านของใจได้นี่คือถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่สามารถพิจารณาตามได้ก็ให้ฟังแบบนี้ไปก่อนให้ใช้เสียงเหมือนกับเราใช้พุทโธเวลาที่เรานั่งสมาธิตามลำพัง เวลาฟังธรรมนี้เราไม่ต้องใช้พุทธโธไม่ควรใช้พุทธโธควรใช้ความตั้งใจจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมถ้าพิจารณาตามได้ก็พิจารณาตามไปถ้าพิจารณาตามไม่ได้ก็ฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆอย่าพุทธโธอย่าปริกรรมอย่าสวดมนต์ เพราะว่ามันจะทำลายมันจะมารบกวนกันนั่นเองเวลาถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราต้องการจะทำให้ใจสงบตอนนั้นเราถึงใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราก็ไม่ต้องใช้การบริกรมพุทธโธไม่ต้องสวดมนต์เราใช้ติดเสียงธรรมกล่อมใจให้สงบได้นี่ก็จะเป็นทมขั้นแรกผลขั้นแรกคือสมาธิผลของสมาธินี้ เรายังไม่เรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมเพราะว่าเป็นผลชั่วกราวไม่ใช่เป็นผลที่ถาวรสมาธินี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ถาวรดับความทุกข์ได้ชั่วขณะที่ใจสงบอยู่เท่านั้นพอออกจากความสงบมาแล้วความทุกข์ก็จะกลับเกินขึ้นมาได้ แต่ถ้าฟังด้วยการพิจารณาตามเหตุตามผลของธรรมที่แสดงอยู่แล้วบรรลุธรรมขึ้นมาได้ก็จะดับความทุกข์ในระดับที่ที่ฟังได้อย่างถาวรการบรรลุธรรมจึงมีหลายระดับด้วยกันเพราะความทุกข์นี้มีหลายระดับด้วยกันการ เข้าใจเหตุและผลของความทุกข์นี้ก็มีต่างระดับกันหลายระดับกันการบรรลุธรรมจึงต้องบรรลุเป็นขั้นๆไปเช่นขั้นแรกก็เรียกขั้นโสดาบันขั้นที่สองก็เรียกว่าขั้นสกิดาคามีขั้นที่สามก็เรียกว่าอนาคามีขั้นที่สี่ก็เรียกว่าอารหรัน ทำแต่ละขั้นนี้ก็จะมีความทุกข์ต่างกันไปต้องใช้ปัญญาแต่ละขั้นที่ต่างกันไปเพื่อที่จะมาดับความทุกข์ของทำแต่ละขัน้นหลังจากที่ความทุกข์ของแต่ละขั้นนั้นได้ดับไปแล้วก็จะไม่มีวันฟื้ น, นขึ้นมาอีกได้นี่คือความแตกต่าง ระหว่างการดับความทุกข์ด้วยสมาธิและด้วยปัญญาถ้าใช้สมาธิก็จะดับความทุกข์ได้ชั่วคราวอย่างที่เขาพูดว่าหินทับหญ้าเวลามีหินทับหญ้าไว้หญ้าก็จะไม่สามารถงอกออกงอกออกมาได้จเจริญออกมาได้แต่เวลายกหินออกจากหญ้าไป หญ้าก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าใช้การถอนรากถอนโคนของหญ้าออกไปจากดินเลยไม่ต้องมีหินทับหญ้า่หญ้าก็จะไม่มีวันที่จะฟื้นงอกขึ้นมาได้อีกต่อไปเพราะรากของหญ้าได้ถูกถอนออกจากดินไปแล้ว การบรรลุธรรมด้วยปัญญาก็เป็นการถอดถอนร่างเง้าของความทุกข์นั่นเองรางเง้าของความทุกข์ก็คือตันหาความอยากรางเง้าของตันหาความอยากก็คือความหลงมีสองขั้นด้วยกันความอยากเกิดจากความหลงปัญญาจะทําลายความหลงจะทําให้เห็นความจริง ความหลงก็คือเห็นความไม่จริงเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักษเป็นดอกบัวเห็นสิ่งเห็นขัดกับความเป็นจริงเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าสุขเห็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน นี่ีคือความหลงดังนั้นปัญญาก็คือต้องเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถึงจะแก้วความหลงได้ถ้ามีความหลงก็จะเกิดมีความอยากขึ้นมา ถ้าหลงคิดว่าเป็นของเราก็จะมีความอยากให้ของเหานั้นอยู่กับเราเป็น น, นานๆอยากจะให้ดีเป็น น, นานๆอยากจะให้ความสุขกับเราเป็น น, นานแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราลองสังเกตดูลองพิจารณาดูสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ได้เป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเป็นเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสัตว์ทั้งบุคคลและสิ่งของมีการจเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คืออนิจจงความไม่เที่ยงนี่คือสิ่งที่ปัญญาจะจะจะสอนจะบอกให้ ให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาให้คอยดูอยู่เรื่อยๆให้คอยเตือนให้เห็นอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมแล้วเมื่อมีการเจริญมีเสื่อมก็ต้องมีความทุกข์ตามมา เวลาจเจริญก็มีความสุขแต่เวลาเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ตามมาแล้วก็พิจารณาว่าความไม่แน่นอนความทุกข์นี้ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปควบคุมบังคับให้เป็นสิ่งที่แน่นอนให้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราได้นั่นเอง คือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะเรียกว่าเป็นของเราได้เป็นตัวเราได้เป็นสิ่งที่เขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขานี่คือปัญญาที่ต้องเอามาใช้ในการแก้ความหลงถ้ามีปัญญาก็จะทำลายความหลงได้พอไม่มีความหลงก็จะทำลายความอยากได้ ความอยากนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแล้วก็จะหายไปอย่างถาวรไม่เหมือนกับการหายไปแบบสมาธิสมาธินี้ก็จะทำให้ความอยากหายไปแต่เป็น หายไปแบบชั่วกราวหายไปแบบหินทับหญ้านั่นเองเหมือนกับกดเอาไว้กดความอยากเอาไว้เวลาอยากแล้วเกิดความทุกข์พอไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบความอยากนั้นก็หายไปพอความอยากหายไปความทุกข์ก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่เช่ น, นความอยากไม่แก่อยากไม่เจบ็บอยากไม่ตายเวลาเราคิดถึงความแก่เรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกว่าเราสุขหรือเรารู้สึกว่าเราทุกข์กันเวลาเราคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยคิดถึงความตายเราสุขหรือเราทุกข์กันเราทุกข์กันเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากแก่ เราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายกันแต่ถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายการที่เราจะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายเราก็ต้องไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย การที่เราจะละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็ต้องมีปัญญามาแก้ความหลงที่ไม่เห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั้นเองหรือเห็นก็เห็นเพียงเดี๋ยวเดียวไม่เห็นตลอดเวลาเวลาเราไม่นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะลืมไป เราก็จะคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคอยคิดอยู่เรื่อยๆคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายพอเราเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็น <rele crying> ความตายเราจะไม่ตกใจเราจะไม่ทุกข์ พอเราเห็นความจริงพอเราเห็นความจริงเราก็จะไม่มีความอยากที ram, ่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากไปก็ไม่มีผลอะไรอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ไม่สามารถไปหยุดความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไม่สามารถไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้ต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นเองที่ทุกข์ก็เพราะว่าหลงลืมไปว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอหลงลืมไปก็เกิดความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเห็นความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่หลงไม่ลืม รู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือปัญญาที่จะมาใช้ในการถอดถอนความหลงเพื่อที่จะระงับความอยากให้หมดไปจากใจ ต้องใช้ปัญญาและปัญญาต้องเป็นปัญญาที่ต่อเนื่องต้องรู้อยู่ตลอดเวลาต้องคิดอยู่ตลอดเวลาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันฝังอยู่ในหัวใจไม่หลงไม่ลืมถ้าไม่ลืมแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาก็ได้ถ้ายังหลงยังลืมอยู่หรือยังมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ ก็ต้องพิจารณามันไปเรื่อยๆพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ลืมแล้วก็ไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถึงจะหยุดพิจารณาได้เพราะตอนนั้นมันจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเวลาเจอความแก่ก็ไม่ทุกข์เวลาเจอความเจ็บก็จะไม่ทุกข์ เวลาเจอความตายก็จะไม่ทุกข์นี่คือการถอนความทุกข์ด้วยปัญญาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถรู้ได้ด้วยพระองค์เองก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะทําลายความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครรู้มาก่อน ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญก็ไปศึกษากับผู้รู้ทั้งหลายก็มีเพียงแต่รู้วิธีที่จะดับความทุกข์ไว้ชั่วคราวคือการเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปชั่วคราวพอออกจากความทุกข์มาพอออกจากสมาธิมา มาเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายความทุกข์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรและคิดว่าไม่มีวิธีคิดว่าเป็นวิธีเดียวเท่านั้นก็คือสมาธิดับได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้ามีความปรารถนา แมีความเชื่อว่าต้องมีวิธีที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรพระองค์จึงใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปในพระทยของพระองค์เองจนเห็นว่าความทุกข์ของพระองค์เองนี้เกิดจากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายซึ่งเป็นความอยากที่ขัดกับความจริง อยากไม่แก่ในสิ่งที่ต้องแก่อยากไม่เจ็บในสิ่งที่ต้องเจ็บอยากไม่ตายในสิ่งที่ต้องตายนี้เรียกว่าเป็นความหลงหรือเป็นความความโง่ในเมื่อสิ่งที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วห้ามมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แล้วจะไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อย่างไร นี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งพิจารณาด้วยปัญญาจึงเห็นว่าต้องยอมแก่ต้องยอมเจ็บต้องยอมตายต้องยอมรับความจริงอย่าไปขัดกับความจริงอย่าไปฝืนความจริงพอไม่ขัดไม่ฝืนแล้วใจก็จะไม่ทุกข์เพราะใจจะไม่มีความอยากความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตาย ความทุกข์นั้นอยู่ที่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต่างผู้ที่ไม่มีความอยากเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์จึงไม่มีความทุกข์กับความแก่กับความเจ็บและความตายแต่ผู้ที่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะต้องมีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นปัญหาพระพุทธเจ้าได้สรงคนพบก็คือปัญหานั้นอยู่ที่ความหลงและอยู่ที่ความอยากหลงก็คือไม่เห็นไม่เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆไม่เห็นความไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆนั่นเองจึงทำให้เกิดความอยาก ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เพราะคิดว่าสามารถจะทำให้เป็นไปตามความอยากของตนได้แต่ก็ไม่มีใครทําได้สักคนอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันกี่คนก็ไม่สามารถที่จะไปทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เลยแม้แต่คนเดียวมาทุกยุคทุกสมัยไม่มีใคร ทำให้ร่างกายที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนั้นเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เอมีพระพุทธเจ้าเพียงพร อ, องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ความจริงอันนี้แล้วก็นาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ สัตวโลกอย่างพวกเราทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังความจริงอันนี้แล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติก็สามารถทําลายความทุกข์ภายในใจได้ผู้ที่จะทําลายความทุกข์ภายในใจด้วยปัญญาได้นี้ต้องมีสมาธิก่อนต้องมีต้องรู้จักวิธีดับทุกข์ด้วยสมาธิก่อนแล้วถึงจะมีกําลัง ที่จะใช้ปัญญาในการหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ถ้ายังไม่มีสมาธิถึงแม่รู้อย่างพวกเราตอนนี้ก็รู้กันแล้วว่าความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทําให้พวกเราทุกข์กันแต่พวกเราก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้อยู่ เพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากนั่นเองถ้าเรามีสมาธิเราจะหยุดความอยากได้แล้วถ้าเรามีปัญญามาสอนให้เราต่อสู้กับความอยากทาลายความอยากเราก็จะฝืนเราก็จะต่อสู้กับความอยากทุกครั้งที่ใจอยากจะไม่แก่เราก็ต้องตัดมันต้องยอมแก่ ทุกครั้งที่มันอยากจะไม่เจ็บก็ต้องทาลายมันต้องยอมเจ็บทุกครั้งที่มันอยากจะไม่ตายก็ต้องทำลายมันต้องยอมตายพอยอมแล้วใจก็จะเย็นจะสบายจะสงบเรียกภาษาชาวบ้านก็คือปลงได้พนเราถ้าปลงได้แล้วจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะว่าปลงไม่ได้กันรับไม่ได้กับความแก่ กับความเจ็บกับความตายยังอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวยังอยากมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงยังอยากจะมีอายุยืนยาวนานไม่มีวันตายอันนี้แหละคือเรื่องของสมาธิและเรื่องของปัญญาเรื่องของสมาธินี้มีมาตั้งแต่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะมีพระพุทธศาสนาหรือไม่มีก็ตาม มีการปฏิบัติสมาธิมาตลอดเพราะเป็นสิ่งที่ง่ายในการที่จะเข้าถึงได้แต่เรื่องของปัญญานี้เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะเข้าถึงได้ต้องมีพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถมีปัญญาบารมีที่จะเห็นถึงต้นเหตุของความทุกข์ ว่าเกิดจากความอยากได้เท่านั้นนานๆถึงจะมีพระโพธิสัตว์มาตัดสัลโเป็นพระพุทธเจ้ากันสักครั้งหนึ่งแต่พอมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีพระอาลามตสาวกปรากฏขึ้นมากันเป็นจำนวนมากได้อย่างง่ายด้เพราะมีผู้นำทางมีผู้สอน พอมีผู้สอนและผู้ปฏิบัติก็สามารถนําเอาไปปฏิบัติได้บรรลุผลได้อย่างรวดเร็วพวกเราก็เป็นเหมือนพวกที่จะเป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราสามารถน้อมเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าเราสามารถทำทานได้ครบถ้วนบริบูรณ สามารถรักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์สามารถเจริญสติทําใจให้สงบได้ครบถ้วนบริบูรณ์และสามารถเจริญปัญญาได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เราก็จะสามารถที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรอย่างที่พออระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดับกันได้การเกิดของพออระอรหันตสาวกนี้ ก็เกิดจากการเกิดของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้แล้วนำความรู้อันวิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีผู้ใดที่จะสามารถบรรลุธรรมดับความทุกข์บรรลุเป็นพระอาหารหันตสารโกได้เลยต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนต้องมีพระธรรมคาสอนก่อนถึงจะมีพระอริยสงสาวกได้ นีคือพัตลตราใะรัตลตรายนี้ต้องเกิดจากพระพุทธรัตนาก่อนเมื่อมีพระพุทธรัตนาแล้วก็จะมีพระธรรมรัตนาเมื่อมีพระธรรมรัตนาก็จะมีพระสังขรัตนาขึ้นมาถ้ามีแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ทรงแสดงธรรมก็จะไม่มีพระอริยสงสาวกเช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์ที่ไม่ เผยแผ่คําสอนให้แก่ผู้ที่เราเรียกว่าพระปัเจกับพระพุทธเจ้าท่านตัดสัูวแล้วท่านไม่นําเอาความรู้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ก็จะไม่มีพระธรรมรัตนปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีพระธรรมรัตนะก็จะไม่มีพระสารครัตน์เมื่อไม่มีพระธรรม ร, รัตนต์ไปก็จะไม่มีพระพุทธศาสนา นี่แหละองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาอยู่ที่พระรัตนตรัยนี้เองอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมคำสอนอยู่ที่พระอริยสงสารถึงจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้เป็นเวลาอันยาวนานถ้าพระพุทธเจ้าพระปิจกตรพระพุทธเจ้าตายไปก็จบแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรม ก็จะมีพระ อ, อริยสงสาวกมาเป็นผู้สืบทอดพระธรรมคําำคำสอนต่อจากพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้ในเบื้องต้นเราก็ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เผยแผ่พระธรรมคาสอนพอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเราก็มีพระ อ, อรหันตสาวกมาเป็นผู้เผยแผ่คําสอนต่อ ขอให้แต่มากันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาจึงยังมีชีวิตชีวาอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่การมีโบสถ์มีเจดีย์มีถาวลและวัตถุต่างๆมีพระสงฆ์บวชกันเป็นจำนวนมากหรือจำนวนน้อยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ สิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนานี้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็อยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะพยุงที่จะรักษาพระพุทธศาสนานให้มีอายุยืนยาวนานได้ ไม่ได้อยู่ที่การสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างศาลาแล้วบวชพระกันทีเป็นร้อยเป็นพันแต่บวชแบบแบบพิธีกรรมคือกรัวหัวห่วมผ้าเหลืองแล้วก็จบไม่มีการศึกษากันอย่างจริงจังไม่มีการปฏิบัติกันอย่างจริงจังรวยกันไปเจดวันสิบห้าวันก็ลาสิกขากันไป หรือบวชเดือนหนึ่งสามเดือนก็ลาสิกขากันไปบวชแบบนี้ไม่เรียกว่าบวชนะคเรียกว่าเล่นบวชเล่นเล่นไม่ใช่แบบบวชเอาจริงเอาจังนะครับถ้าบวชเอามรรคผลนิพานนี้เขาบวชไม่สึกกันผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพานแล้วเขาไม่รู้จะเสึกไปหาอะไรไม่มีอะไรที่จะดีกว่ามรรคผลนิพานต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขา ก็จะไม่เห็นคุณค่าของมันเหมือนกับเห็นคุณค่าของมรรคผลนิพพานเพราะเงินกองเท่าภูเขาไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้แต่มรรคผลนิพพานนี้สามารถดับความทุกข์ใจให้หมดไปได้ให้หมดไปได้อย่างถาวรไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปตลอดอนันตการ น, นี้แหละคือ การสืบทอดพระพุทธศาสนาการต่ออายุของพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราอยากจะให้ศาสนาพุทธได้อยู่คู่กับโลกไปนานๆพวกเราก็ต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนกันศึกษาแล้วพวกเราก็ต้องปฏิบัติกันปฏิบัติกันอย่างจริงจังปฏิบัติกันแบบมืออาชีพก็คือต้องบวชกันเลยถ้าปฏิบัติกันแบบสามวันเจ็ดวันนี้ มันเหมือนนกกระจอกกินน้ำมันได้ไม่ด้ไม่มากได้พอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาบวชใหม่บวชได้เจ็ดวันเดี๋ยวปีหน้าก็กลับมาบวชใหม่บวชไปอย่างนี้บวชไปอีร้อยชาติแสนชาติก็ยังจะไปไม่ถึงมรรคผลนิพพานถ้าอยากจะไปให้ถึงมรรคผลนิพพานก็ต้องบวชแบบไม่ศึกบวชแล้วก็ต้องศึกษากับครูบาอาจารย์ และปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ถึงจะได้บรรลุมรรคผลนิ่านอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านได้นำพาปฏิบัติมาพระที่ไปศึกษาไปปฏิบัติกับหลวงปู่มัน่นก็กลายเป็นพระอารหันตสาว ก, กันขึ้นมาเป็นจานวนมากครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรากราบไหว้บูชากันท่านก็เป็นผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนี่อง ท่านไปศึกษากับหลงปู่มั่นท่านไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นจนท่านได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันขึ้นมาพระธาตุของท่านเป็นเครื่องยืนยันหลังจากที่ท่านตายไปแล้วอัติคือกระดูกที่เหลืออยู่บางส่วนก็กลายเป็นพระธาตุไปการที่อัติหรือกระดูกของบุคคลที่ตายไปแล้วได้กลายเป็นพระธาตุนี้ก็เป็นการยืนยันให้รู้ว่า บุคคลนี้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วนี่แหละคือเรื่องของความเป็นมงคลที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามพอเราได้ปฏิบัติตามเราก็จะได้บรรลุทำขั้นต่างๆ ดับความทุกข์ขั้นต่างๆไปจนถึงขั้นสูงสุดได้ดับความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างถาวรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายกายเกิดติดต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นสาระเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานต่อไป ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปคิดว่าการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีการบวชกนแบาบปจำนวนมากๆแต่บวชกันประเดียวประเดาว7วัน15วันนี้ว่าเป็นการสืบทอดพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นการสืบทอดผิวของศาสนาเปลือกของศาสนา ไม่ใช่เนื้อของศาสนาคิดดูถ้าเราไปซื้อผลไม้มาแล้วมีแต่เปลือกนี่เราอยากจะซื้อมาหรือไม่ที่เราซื้อผลไม้นี่เราต้องการเปลือกหรือเราต้องการเนื้อของผลไม้ฉันใดศาสนาก็เหมือนกันเราต้องการเปลือกของศาสนาหรือเราต้องการเนื้อของศาสนาเปลือกของศาสนานี่ดับความทุกข์ไม่ได้มีแต่เนื้อของศาสนาเท่านั้น ที่จะดับความทุกข์ได้ดังนั้นขอให้เราเข้าหาเนื้อของศาสนาเนื้อของศาสนาก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี่ปริยัติก็คือการศึกษาพระธรรมคําสอนปฏิบัติก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิเวทก็คือการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติบรรลุมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่ นี่แหะคือแก่นของศาสนาเนื้อของศาสนาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การศึกษาปฏิบัติและปฏิเวทการจะศึกษาปฏิบัติและปฏิเวทได้อย่างเต็มที่ก็ต้องอยู่แบบนักบวชเท่านั้นจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้แต่ต้องอยู่แบบนักบวชก็คือไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นนอกจากการศึกษาและการปฏิบัติเท่านั้นนะ ถ้ายังต้องไปทำมาหากินทำงานทำการทำภาระอะไรต่างๆอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นนักบวชนถ้าเป็นนักบวชแล้วจะต้องไม่มีงานอย่างอื่นมีงานอย่างอื่นก็เพียงแต่งานดูแลรักษาธาตุขันนี้ท่านเองให้อยู่ไปได้วั น, ว, นวันหนึ่งเช่นพระก็ต้องออกบินทบาทกลับมาก็ต้องฉันฉันเสร็จก็ต้องล้างบาทกวาดถูสาลา แตน่นี่เป็นกิจส่วนย่อยเป็นกิจที่ทำได้แบบรวดเร็วไม่มารบกวนเวลาของการปฏิบัติมากจนเกินไปเป็นกิจต้องทำเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้แต่ไม่ควรไปทำภารกิจอย่างอื่นเช่นสร้างโบส์สร้างเจดีย์สร้างศาลาไปทำพิธีบวชชีบวชพระบวชอะไรกัน บวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บวชกันเป็นรุ่นรุ่นไปรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามถ้าทาภารกิจเหล่านี้มันก็จะไปลบ ก, กวนภารกิจของการปฏิบัติของการศึกษาและปฏิบัติและปฏิเวช น, นั้นขอให้พวกเราพยายามอย่าไปหลงกับเปลือกขอให้เราพุ่งไปที่เนื้อ เพราะเรากินเปลือกไม่ได้เราต้องกินเนื้อเช่นใดการดับทุกข์ก็ต้องดับทุกข์ด้วยเนื้อของศาสนาไม่ได้ด้วยเปลือกของศาสนาถ้ามีความจําเป็นที่ต้องทําก็ทําไปบ้างเช่นมีงานบวชพระถ้าการบวชนี้เป็นการบวชที่ถาวรก็น่าอนุโมทนาคือบวชแล้วไม่สึกอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าบวชแล้วสึกก็อย่าไปเสียเวลา ปล่อยเขาบุ่ยเขาไปปล่อยเขาศึกเขาไปเราไปศึกษาเราไปปฏิบัติธรรมของเราดีกว่าดังนั้นก็ขอให้ท่านจงให้ความสำคัญต่อการฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ต้องมีความสงบกายวาจาละใจถึงจะเรียกว่าให้ความสำคัญต่อการฟังธรรมถ้าฟังแบบ ด้วยความสงบกายวาจาใจก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดปัญญาจะรู้จักวิธีที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเมื่อนาเอาไปปฏิบัติก็จะได้บรรลุผลที่ปารถนากันคือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้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 เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจฉะตุสัพเพปเรนตุสังกปะจันโตปัญาราโสยธามามีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตต สัพโรโควินาศตุมาเตภวะทวันตระโยสุขีทีขาโยโกภวะอาฟีวาทานศีริสะนิจจังวุฒาปะจายิโนจตารโอธรรมวัฏานติอายุวโนสุขังภาลัง ใครอยากจะถามปัญหาธรรมะก็ขอเชิญถามได้ขอให้พูดผ่านทางไม่เพื่อผู้ที่ฟังจะได้ยินคำถามไปด้วยครับใช้ไม้ได้เลยครับถ้าไม่มีก็ให้คุณต่อถามปัญหาทางบ้านมาก็แล้วกัน ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณสุกัญญานะครับผู้ที่ผ่านมรรคมาสามครั้งสามารถละกามราคะได้แล้วยังจะมีกามวิตกความคิดเรื่องกามและกามตัญหาได้อีกหรือไม่ถ้าละได้แล้วก็ไม่น่าจะมีแล้ว ถ้ายังมีก็แสดงว่ายัางรับไม่ได้คําถามข้อต่อไปจากคุณสาวกอนนะครับการที่บวชเป็นพระแล้วไม่ออกบินทบาทผิดวินัยหรือเปล่าเพราะวินัยนี้เป็นข้อห้ามส่วนการเลิกบินทบาทนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามเป็นข้อแนะนําเรียกว่าเกจที่พุทธที่พระสงฆ์พึงกระทํา มีอยู่สข้อด้วยกันคือหนึ่งบินทบาทเลี้ยงชีพสองอยู่ตามโคนไม้สใช้ผ้าบาังสกุลสใช้ยาดองน้ำมูดนี่คือการการอยู่แบบพระคือให้อยู่แบบมากน้อยสันโดษให้อยู่แบบเพึ่งตนเองการบินทบาทนี้เป็นการเพึ่งตนเอง ไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมานำอาหารมาเลี้ยงที่วัดให้เลี้ยงอาหารเลี้ยงตนเองด้วยลำแข้งของตนและให้ยินดีกับอาหารที่ได้รับมาคือให้เกิบนิสัยมากน้อยสันโดษที่จะเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสตันหาความโลภความมากๆนั่นเองดังนั้นการไม่ออกบินบานี้ไม่ผิด ระวินัยเพราะไม่ใช่เป็นข้อห้ามแต่ผิดหลักธรรมข้อที่ควรจะกระทาก็เท่ากับการไม่เจริญความมากน้อยสันโดษไม่เจริญความเพียร น, นั่นเองเพื่ที่จะปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ น, นี้ต้องมีความเพียรเพียงแต่การหาอาหารนี่ยังไม่มีความเพียรแล้วจะไปเพียรปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิ ได้อย่างไรข้อต่อไปนะครับพระสามารถขับรถได้หรือเปล่าคืออันนี้มันคนละยุคกับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินยัยสมัยนั้นท่านก็ไม่มีรถยนต์ก็เลยไม่มีข้อห้ามไม่ให้ขับรถยนต์หลักของธรรมวินายนี้ท่านให้ถือหลักโดย คิดถึงผลที่จะตามมาว่าการกระทำนี้ทำไปแล้วทำให้เกิด เ, เกิดธรรมขึ้นมาหรือทำให้เกิดกิเลส ข, ขึ้นม า, าให้ถือตรงหลักนี้ถ้าการขับรถทำให้มรรู้มากผลนิพานได้ก็ก็ขับได้ถ้าขับ <laughs> ถ้าขับแล้วเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนรถใหม่เรื่อย ขับคันนี้แล้วเดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะซื้อรุ่นใหม่ที่ดีกว่าถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปขับมันถ้าขับแล้วความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆหายไปหมดก็ขับได้เลยดังนั้นบางทีสมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยบัญญัติข้อห้ามต่างๆพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ก็ทรงบอกว่าการกระทาบันไดก็ตาม ถ้าทำให้แล้วการให้เกิดความเจริญในธรรมก็ทําไปได้ทําแล้วทําไม่เสื่อมทําแล้วเจริญก็ทําไปได้การกะระทํามันใดที่ทําไปแล้วทําให้ทำเสื่อมทําไม่เจริญก็ไม่ควรกระทำมันเอาที่หลักนี้ไปก็แล้วกันข้อต่อไปนะครับจากคุณจอมนะครับการพิจารณาว่ากายตนนี้เป็นอสุภะ สำหรับคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีและจิตเด่นไปทางราคะควรเริ่มจากตรงไหนก่อนคือการมาราคะนี้มันไม่ได้เกิดจิตอยู่ที่ความสวยงามของตัวเราแต่เกิดจากความสวยงามของผู้อื่นงั้นเวลาที่เราเกิดการมาราคะนี้เราต้องพิจารณาความไม่สวยงามของบุคคลที่ทำให้เราเกิดการมาราคะขึ้นมาเช่นตอนนี้ เมื่อเช้านี้ก็เห็นรูปถ่ายประกวดนางงามกันอยู่หน้าในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเนี้ยถ้าเห็นแล้วก็เกิดการมลลมขึ้นมาก็ต้องพิจารณาอสุภะของภาพที่เราเห็นนั้นเช่นนางงามก็ต้องมองตับไตไส้พุงของนางงามบ้างมองถึงอุจจาระปัสสาวะของนางงามบ้างมองโครงกระดูกของนางงามบ้างถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะ ทำลายการมราคะได้การที่จะมาเห็นอสุภะของตนเองนี้มันไม่ได้ไปทำลายการมาราคะแต่อย่างไรเพราะว่าเหตุที่ทำให้เป็นการมาราคาเกิดขึ้นมานี้ไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามของร่างกายเราแต่อยู่ที่ความสวยงามของร่างกายของผู้อื่นที่เราอยากจะร่วมเสพกามด้วย ดังนั้นถ้าเราเห็นความไม่สวยงามคืออสุภะของบุคคลที่เราอยากจะเสพการด้วยความอยากจะเสพการนั้นมันก็จะหายไปได้แต่เราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าจะเรารอเวลาให้เกิดการอารมณ์แล้วมาพิจารณานี้มันจะไม่ทันการเหมือนกับการดับไฟไฟไหมเราต้องเตรียมน้ําเตรียมเครื่องดับไฟไว้ก่อน เวลาเกิดไฟลุกเราก็จะได้มีน้ำดับได้ทันท่วงทีแต่ถ้าเราไม่มีน้ำไม่มีเครื่องดับเพลงพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถดับไฟที่เกิดขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆถ้าเราเป็นคนราคาตจริญคนที่ชอบเสษกรรมอยู่มากๆแล้วเราอยากที่จะยุติการเสษกรรมนี้ เพราะการมีราคะเจร็จนี้มักจะทำให้เราไปทำผิดศีลข้อสามกัน ข, ข้อการมีมีแฟนแล้วมีสามีแล้วก็ยังมีความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาของตนถ้าทำไปก็จะบาปเป็นบาปเป็นกรรมหรือสำหรับผู้ที่อยากจะใช้ชีวิตแบบนัก บ, บวชเวลาเกิดกรรม อารมณ์ก็จะไม่สามารถรักษาศีลของนักบวชได้ก็จําเป็นจะต้องพิจารณาอาสุภะอยู่เรื่อยๆอย่างพระนี่เวลาที่บวชปั๊บในขณะที่กําลังบวชนี่พระพุทธเจ้าบังคับให้พระอุปชาผู้บวชพระให้สอนกรรมฐานหาเลยกรรมฐานหาก็คืออาการห้าประาการของร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ เพื่อเป็นการสอนให้พิจารณาอาการ3ามสินั่นเองเพียงแต่เวลาบวชนั้นไม่มีเวลามากพอและผู้บวชจะจำไม่ได้ทั้ง32อาการก็เลยให้ท่องเพียง5อาการฝันแต่เป้าหมายก็คือต้องการให้เห็นอาการ32ของร่างกายคือไม่เห็นแต่เฉพาะอาการที่เห็นอยู่ภายนอกคือผมขนและฟันหนัง ให้เห็นเข้าไปใต้ผิวหนังด้วยเห็นเนื้อเอ็นกระดูกเห็นม้ามหัวใจตับพังผืนไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าให้พิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลามองคนที่น่ารักหน้าน้าใครนี่ก็ให้ใช้ อ, อสุภานี้มาดับอย่าไปมองแต่หน้าตาอย่าไปมองแต่ผิว อย่าไปมองแต่รูปร่างให้มองเข้าไปข้างในให้มองในส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมแล้วก็จะสามารถดับการมรมได้ mm. ก็จะสามารถครองเพศของนัก บ, บวชได้ผู้ที่บวชแล้วเสด็จกันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่มีอสุภะมาเป็นเครื่องเป็นอาวุธไว้ต่อสู้กับการมราคะนี้เองดังนั้นถ้าเราอยากจะกําจัด เรื่องของการาราคะเราก็ต้องหมั่นพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆคาถามข้อต่อไปจากคุณพิชยานะครับเรื่องการนั่งสมาธิที่ผ่านมาจะปฏิบัติแบบเดินจงกรมประคองจิตให้นิ่งๆสลับกับการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิใจฟุ้งตลอดไม่ได้สงบเท่าไหร่ มีบางครั้งเสียงดังเกิดขึ้นในขณะนั่งอยู่ทำให้ตกใจมากตามปกติไม่เคยตกใจแบบใจหายวา่าใจเต้นแรงรู้สึกเหนื่อยมากตัวร้อนเผาๆอาการเหมือนนอนอยู่แต่ถูกปลุกกระ t ั a n หันต้องรอให้หายเหนื่อยแล้วนั่งต่ออาการแบบนี้แสดงว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิเลยใช่ไหมมีอุบายทำให้จิตเป็นสมาธิบ้างไหมคะ ต้องฝึกเจริญสติอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมานั่งสมาธิคือต้องฝึกตลอดเวลาที่ตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ยวรเจริญสติอยู่เรื่อยๆการเจริญสติก็มีหลายวิธีเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจก็เป็นวิธีหนึ่งการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง มีถึง40วิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40ก็ถ้าอยากจะรู้วิธีไหนก็ลองเข้าไปศึกษาดูค้นหาดูในตำราแล้วก็ลองเอามาเจริญดูจะเอาอันไหนก็ได้เอามาขอให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือไม่ให้ใจลอยไปลอยมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจว่างจากความคิดพุงแต่งต่างๆ ให้อยู่ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้ว่างให้รู้เฉยๆแล้วถ้ามีสติอย่างนี้เวลาอะไรเกิดขึ้นมามันเกิดปับ๊บมันก็จะผ่านไปเสียงดังปับ๊บมันก็ผ่านไปใจก็จะไม่ตื่นเต้นตกใจเหมือนกับกระต่ายตื่นตูมเพราะมีสติมีที่ยึดที่เกาะไว้ของใจใจจะไม่ลอยไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ รู้แล้วก็ผ่านไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดชื่อขณะเดียวท่านั้นเสียงดังปั้งมันก็ผ่านไปแล้วถ้าจะตายมันก็ตายแคว่วินาทีเดียวก็ตายแล้วมันไม่มีเวลาที่จะตกใจกลัวถ้ามีสติแล้วมันจะเฉยมันจะรับรู้เฉยๆมันจะไม่คิดปรุงแต่งตามกับเหตุการณ์ต่างๆไปดังนั้นถ้าอยากจะมีสมาธิมีจิตใจที่หนักแน่นเหมือนกับก้อนหิน ก็ต้องฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆฝึกทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าฝึกได้แล้วรับรองได้ว่าใจจะมีหลักมีเกณฑ์จะมีที่ยึดนีที่เกาะจะไม่ไหลไปกับเหตุการณ์ต่างๆจะไม่ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆคำถามข้อต่อไปจากคุณหญิงนะครับคุณแม่ใส่บาทด้วยเงินเป็นประจำ จะอธิบายอย่างไรดีว่าไม่ควรถวายเงินลงในบาทก็ต้องบอกว่ามันผิดพระวินัยคือผิดศีลของพระพระนี้ไม่สามารถรับเงินทองกับมือได้การเอาใส่ไปในบาทก็ถือว่าเป็นการให้กับมือถ้าอยากจะถวายปัจจัยต้องฝากลูกศิษย์ถ้ามีเด็กเดินมาช่วยหิ้วของช่วยช่วยหิ้วอาหาร อันานี้ฝากเด็กไว้ก็ได้แต่อย่าไปใส่ในบาทแล้วก็บอกเด็กว่าช่วยเอาไปถวายหลวงพี่หลวงพ่อให้ด้วยเวลาที่ท่านกลับไปที่วัดแล้วหลวงพ่อหลวงพี่ก็จะได้สั่งให้เด็กเอาไปเก็บไว้ในที่สมควรแล้วเวลาท่านต้องการซื้ออะไรท่านก็จะบอกลูกศิษย์ให้ไปจัดการหาซื้อมาให้แต่พระเองนี่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้แตะต้องไม่ให้พกเงินทองเหมือนกับญาติโยม ที่พวกติดตัวไปไหนมาไหนได้แล้วก็ซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆได้ต้องผ่านบุคคลอื่นพระทำเองไม่ได้เพราะท่านไม่อยากจะให้พระมายุ่งกับเรื่องของเงินของทองเพราะว่ามันจะทําให้เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาได้จะทําให้แทนที่จะมาฆ่ากิเลสกลับมาเลี้ยงกิเลสมันจะขัดกับ เจตนารมของการออกบวชการออกบวชนี่เพื่อบวชเพื่อตัดกิเลสตันหาความอยากได้สิ่งต่างๆพอมีเงนินมีทองปับ๊บมันก็มีสะพานนะให้ตอบสนองความอยากได้เห็นมือถือรุ่นใหม่ก็อยากจะได้เห็นอะไรต่างๆที่น่าชอบน่าชมก็อยากจะได้พอมีเงินก็ไปเดินชอปปิ้งกันเองเลยเดี๋ยวนี้ไปซื้ออะไรตามที่ความอยากต้องการ อันนี้ก็จะทำให้ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านแล้วก็จะเวลาเกิดการมาลมเกิดการมาราคาขึ้นมาก็จะดับมันไม่ได้พอดับมันไม่ได้ก็มีสองทางเสดการามทั้งขณะที่ยังอยู่ในผ้าเหลืองหรือไม่เช่นนั้นก็เิกขาลาเสดขาลาเพศไปเพื่อไปเสดถ้าเสดในที่อยู่ในผ้าเหลืองก็เป็นตาราชิกก็ขาดจากความเป็นพระไป ไม่ว่าจะมีผู้อื่นรู้หรือไม่ก็ตามตนรู้ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าตนนั้นไม่ได้เป็นพระแล้วตนได้ทำละเมิดกดข้อที่หนึ่งคือปาราชิกแล้วอันนี้ก็เป็นภัยอันตรายต่อนักบวชพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นนี้ห้ามไม่ให้รับเลยไ ม, ไม่ว่าจะฝากไว้กับใครก็ตาม แต่ต่อมามีผู้ที่มาบวชแล้วมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อหยุกซื้อยาหรือซื้อของบางอย่างเพราะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะหาได้จากการบินธบาลหรือจากศรัทธาเพราะเขาไม่รู้ว่าท่านต้องการยาหรือต้องการอะไรเป็นกรณีพิเศษนะก็เลยมีคนขอร้องว่าช่วยอนุโลมผ่อนผันให้หน่อย พระพุทเจ้าก็เลยอนุโลมว่าถวายได้แต่ต้องไม่ได้ไม่ถวายให้กับพระโดยตรงให้ไปฝากไว้กับลูกศิษย์หรือคนที่พระไว้ใจได้แล้วเวลาพระต้องการที่จะซื้อยาหรือซื้ออะไรที่จําเป็นก็ให้เขาไปซื้อไปจัดการมาให้ถือว่าเป็นเงินของผู้ให้ไม่ใช่เป็นเงินของพระถ้าเกิดพระไปบอก คนที่ถือเงินไว้แล้วเขาบอกว่าเขาเอาไปใช้หมดแล้วพราก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้ไม่ทำได้ก็เพียงต้องไปบอกผู้ให้ว่านายคนนี้ที่เราบอกว่าให้ฝากเงินไว้เขาไม่เอามาทำตามเจตนาลมยังคราวหน้าอยาไปฝากก็ไว้กับคนนี้ก็บอกได้เพียงเท่านี้แต่เงินที่เขาเอาไปใช้หมดก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเงินของพระ ถ้าไม่ต้องไปเสียออกเสียใจไม่ต้องไปเดืเอดร้อนใจแต่อย่างใดงนี่คือหลักของการให้เงินทองกับพระถ้าอยากจะถวายเงินก็รอไปที่วัดก็ได้ที่วัดมีตู้บริจาค ก, ก็เอาไปใส่ตู้หรือมีสำนักงานมีคนคอยรับเงินบริจาค ก, ก็เอาไปมอบให้กับคนที่เขาทำหน้าที่เหล่านี้อยู่ก็ได้บุญเหมือนกัน ไม่ต้องให้ใส่ไปในบาทถึงจะได้บุญมันได้บุญกับโยมแต่มันได้โทษกับพระเพราะทาพระธรรมขัดหลักพระรรมวีในคำถามข้อต่อไปนะครับเพิ่งส่งมาล่าสุดนะครับจากคุณอารีชัยนะครับกับผมนั่งเครื่องบินฟังเพลงสติเหมือนจะพามาถามว่า ลองพิจารณารูปเวทนาสังขารสัญญาประกอบการได้ยินดูใจตัวเองแล้วพยายามดูอาการกระโดดของใจพยายามอธิบายเสียงโดยความเป็นรูปเวทนามันนิ่งๆมันเหมือนกับไม่มีอาการประกอบของเสียงกับรูปเวทนาที่ยกมาพิจารณาไม่รู้ว่าการกระทาดังกล่าวที่พยายามพิจารณาเสียงอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่อย่างไรและควรกระทําอย่างไรต่อคือการพิจารณานี้ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรที่จะไปเสพมันนี่คือหลักของการพิจารณาถ้าเราชอบฟังเพลงนี้เราต้องพิจารณาว่าการฟังเพลงนี้ความจริงมันไม่ใช่เป็นความสุขเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วขณะที่เราฟัง พอเวลาใดที่ไม่ได้ฟังแล้วอยากจะฟังนี่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเครื่องฟังเสียไปหรือทานหมดแล้วอยากจะฟังอันนี้นี่มันไม่เที่ยงแล้วคือเพลงที่เราอยากจะฟังนี่มันหายไปแล้วเราอยากจะฟังใหม่มันไม่ยอมโผล่ขึ้นมานี no SAS, ่เรียกว่าอันนี้จังมันไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงแล้วเรายังอยากฟังอยู่มันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมา ถ้าไม่มีความอยากฟังเวลาไม่มีฟังก็จะไม่เดือดร้อนดังนั้นถ้าจะไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องของการฟังเพลงก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเพราะว่ามันต้องคอยซื้อเครื่องเล่นต้องคอยหาเพลงใหม่มาฟังอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ถ้าไม่มีปัญญาซื้อเครื่องใหม่ไม่มีปัญญาหาซื้อเพลงใหม่มาฟังฟังเพลงเก่าๆซ้ำๆ ซ, ำ ซ, ำ ซ, กซากๆก็เบื่อกก็ทุกข์อีก ฉันอยากไปฟังมันดีกว่านี่คือความหมายของการพิจารณาสิ่งต่างๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราต้องการพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็มีฟังบางทีก็ไม่มีฟังบางทีก็มีดูบางทีก็ไม่มีดูหรือมีดูก็มีสิ่งที่ไม่อยากจะดูไม่อยากจะฟังอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่ไปอยากสักอย่างมันก็ไม่ทุกข์มีดูหรือไม่มีดูมีฟังหรือไม่มีฟังฟังก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่คือหลักของการพิ จ, จารณาต้องพิจารณาให้เข้าไปถึงไายลักษณ์ให้ได้ให้เห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงเห็นความที่เราไปสั่งมันไม่ได้อยู่ในสิ่งต่างๆที่เราไปหลงคิดว่าเราสั่งมันได้ให้ความสุขกับเราจะอยู่ ให้ความสุขกับเราได้อย่างตลอดไม่มีวนันเปลี่ยนแปลงนี่เป็นความหลงต้องแก้ความหลงอันนี้ด้วยการให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระอาจารย์ครับการนั่งฟังธรรมนะครับอหากเราฟังธรรมด้วยสติแล้วก็จดจ่ออยู่กับคําที่แสดงออกมานะครับอใจเราจะเบาๆคู่ไปกับการฟังธรรมใช่ไหมครับอาจารย์ ถ้าจดจอ่อไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นใจก็จะเบาใจก็จะเข้าสู่ความสงบแต่อาจจะไม่เข้าสู่ความสงบเต็มที่เพราะว่ายัางมีการทํางานของใจอยู่ยังมีการรับรู้เสียงอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าปล่อยวางเสียงได้เมื่อไหร่แล้วจิตพุบเข้าไปนี้จิตก็จะสงบได้อย่างเต็มที่าการฟัง ในเบื้องต้นก็ฟังเราจะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจแต่ยังไม่ถือกับนิ่งสงบไม่รับรู้เสียงเลยเสียงหายไปจากการรับรู้เลยหรือได้ยินเสียงแต่ไม่สนใจเลยเข้าไปข้างในแล้วอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาอย่างแท้จริงนี่คือการฟังทำด้วยการใช้เสียงจดจ่ออยู่กับการ อยู่กับเสียงธรรมเพราะเราไม่สามารถที่จะพิจารณาเหตุและผลของธรรมที่แสดงได้เป็นเพราะว่าปัญญาของเรายังไม่ถึงระดับนั้นฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็อย่าเลิกฟังให้ฟังต่อไปฟังเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อยๆอย่าอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือบน่นหรือบ่นว่าคนเทศว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องวิาพากวิจารไป อย่างนั้นแทนที่จะเป็นมงคลมันก็จะเป็นอัปมงคลไปฟังแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์กลับได้ความหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาดังั้นเวลาฟังธรรมถ้าเราฟังไม่เข้าใจก็ให้เกาะติดกับเสียงธรรมไปใช้เสียงธรรมกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ยังได้รับประโยชน์ประโยชน์ขั้นระดับของสมาธิแต่ถ้าพิจารณาแล้วเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลก็จะ เกิดปัญญาเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาได้อันนี้เป็นธรรมขั้นสูงก็ได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่ความสามารถของผู้ฟังพระอาจารย์ครับมีคําที่ว่าการปฏิบัติทำปฏิบัติภาวนาแม้เพียงช่วงช้างกระดิกใบหูเนี่ยก็มีอ น, นิสงส์งที่มากกว่าการทําทานและรักษาศีลขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายเพิ่มครับก็ทานศีลนี้เป็น เป็นธรรมขั้นต่ําคือคุณค่ามีน้อยกว่าคุณค่าของการภาวนาเปรียบเหมือนกับธนบัตรที่มีราคาต่างกันธนบัตรใบละ 20, บยี่สิบใบละห้าสิบใบละร้อยนี้มีคุณค่าสู้ธนบัตรใบละห้าร้อยแล้วพันหนึ่งไม่ได้ต่อให้ได้ธนบัตรใบละยี่ม า, 10, าสิบใบสู้ได้ธนบัตรใบละพันมาใบาเดียวไม่ได้นี่คือความเปรียบเทียบถ้าเราภาวนาแล้วจิตสงบเพียงแค่ อ่อะไรอะไรแลบดิ้นนะช้างงูแลบลิ้นปั๊บเนี้ยก็ถือว่าได้ความสุขมากกว่าการทําทานร้อยล้านพันล้านนี่คือความหมายเป็นอย่างนั้นอ่าความหมายเป็นอย่างนั้นแล้วอา น, นิสงส์ที่ได้รับจะเป็นอย่างนั้นด้วยจริงๆริงไหมครับอาจารย์ก็เป็นนะสิก็จะได้ความสุขแล้วก็จะทําให้เรานี่เกิดศรัทธาอย่างมากถ้าเราได้พบกับความสงบ จะทําให้เหล่านี้สามารถที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักเราชอบได้แม้แต่ลูกที่เป็นบ่วงเราก็จะสละได้อย่างที่พระพุทธเจ้าตอนที่ได้ข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดลูกออกมาสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยสัมผัสกับความสงบมาแล้วตอนที่เป็นเด็กเนื่องจากบารมีเก่าบุญเก่าที่เคยสะสมมา พอพระองค์ประทับอยู่ตามลําพังไม่มีใครห้อมล้อมใจกายวิเวกจิตก็วิเวกขึ้นมากายสงบปราศจากคนมาคอยรบ ก, กวนใจก็สงบใจก็สงบเหมือนกับงูแลบลิ้นอย่างนั้นก็ทำให้พระ อ, องค์รู้สึกว่ามีความสุขอย่างมากโดยที่ไม่ต้องมีอะไรก็เห็นก็เลยรู้ว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขที่ไม่ต้องมีรูปเสียงกิดลดไม่ต้องมีเงนินมีทอง <c oughs> ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญจึงทำให้พระ อ, องค์มีความยิน ด, ดีมีความปรารถนาที่อยากจะไปสร้างความสุขแบบนั้นพอถึงเวลาถึงจังหวะที่ต้องไปพระ อ, องค์ก็เลยไปได้อย่างไม่มีอะไรมายับยั้งได้พระ อ, องค์รู้ว่าพอได้ลูกแล้วนี่ถ้าไม่ไปก็จะไปไม่ได้ เพราะบ่วงจะคล้องคอตอนนี้ยังยังไม่ได้คล้องคอเพียงแต่กําลังส่งบ่วง ม, มาถ้าหลบหนีไปก่อนก็จะไม่ถูกบ่วงคล้องคอองค์เลยต้องสเสด็จออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นเลยนี่คือความสําคัญของการได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการภาวนาจะทําให้เรามีกําลังใจมีความกล้าหาญ ที่จะสละความสุขในรูปแบบอื่นไปได้เพราะถ้าเราไม่สามารถสละความสุขในรูปแบบอื่นไปได้เราจะไม่มีวันที่จะออกบวชได้จะไม่มีวันได้ปฏิบัติได้บรรลุทำขั้นสูงได้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะติดอยู่กับบ่วงของมารที่จะคอยดึงให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้าแล้วซ้าอีกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นถ้าเราได้นั่งภาวนาแล้วเกิดใจสงบขึ้นมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นรับรองได้ว่ามันจะเป็นเชื้อที่จะทําให้เราสามารถทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเราไปสร้างความสุขอันนี้ให้มีเต้นเปลี่ยนขึ้ น, นมาภายในหัวใจได้ฉั้นขอให้พยายามฝึกสติให้มากๆนั่งสมาธิไปให้มากๆ วันดีกคนดีถูกแจ็คพอตขึ้นมาปั๊บก็จะได้ไปรับรางวัลได้ถ้าไม่ทําก็จะไม่มีวันที่จะได้ผลดังั้นอย่าท้อแท้อย่าไปประมาทตนเองว่าโอ๊ยเราเป็นคนด้อยวาสนาด้อยบุญไม่มีความรูมม้ความสามารถไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะถูกลอตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันหรือไม่เห็นไหมเวลาคนซื้อลอตเตอรี่มีใครบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีวาสนาที่จะได้ถูกรางวัลที่หนึ่งหรอก ทุกคนก็มุ่งไปที่รางวัลที่หนึ่งกันดังนั้นฉันใดการภาวนาก็เหมือนกันขอให้เราคิดว่าทุกคนก็มีสิทธิ์เท่ากันมีสิทธิ์ที่จะพบกับความสงบของใจได้เท่ากันขอให้เราทํากันไปเถิดแล้วรับรองได้ว่าจะต้องได้สัมผัสกันอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเมื่อได้สัมผัสแล้วก็จะทําให้เกิดกําลังใจเกิดความเกิดพลังที่จะมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติ ให้มากยิ่งขึ้นไปแล้วในที่สุดก็จะได้บรรลุไปเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุ ก, กันพระอาจารย์ครับพระที่ต้องโทษปาราชิกแต่ยังคองผ้าเหลืองอยู่ต่อโดยไม่ยอมศึกออกไปเนี่ยแสดงว่าเขาเข้าข่ายหลอกลวงเป็นข้อมุษาและมีกรรมที่หนักกว่ามนุษย์ทั่วไปที่ไม่ได้บวชไหมครับพระอาจารย์ ก็เขาก็ไม่ได้เป็นพระแล้วล <_ d> ่ะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ยอมรับความจริงถ้ายังรับอาหารบิณฑบาตยังรับข้าวของจากญาติโยมอยู่ก็เป็นเหมือนกับการโกหกหลอกลวงทำบาปไปเรื่อยเมื่อทำบาปไปเรื่อยมันก็ยิ่งจะมีโทษหนักกว่าการเป็นคารวาะคารวสนี่บางทีก็อาจจะทำบาปเป็นบางครั้งบางเวลาเท่านั้นเวลาไหนที่เลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงกัน แต่นี่ทำบาปทุกวันทุกเวลาทุกครั้งที่รับอาหารบิณฑบาตรับข้าวรับของจากศรัทธายาโยนนี่ก็ถือว่าเป็นการทำผิดข้อลักทรัพย์แล้วเขาโกหกหลอกลวงแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับเขาเขาจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระเป็นพระจริงหรือเป็นพระปลอมก็เป็นเรื่องของเขา เขายอมรู้อยู่แก่ใจของเขาเองการเป็นพระนี่ความจริงก็ไม่ได้อยู่ที่การห่มผ้าเหลือมโกนศรีรษะการเป็นพระที่แท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะผู้ใดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรแก่าเออผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่เป็นพระที่แท้จริง อยากจะถามเลยหรือเปล่าคนถามไปไหนนะถามมาดมูเขาม่ไอ้ตัวใหญ่หายไปแล้วก็บ้านของเขาไม่ตื่นเต้นใช่ไหมเขาก็ออกมาต้อนรับเราบ้างจำไม่ได้วพระจันทร์เราหรอเปล่อ๋อไ่หรที่ไปเจาเขาเพราะเราไปอยู่ใกล้เขาเกินไปเขาคิดว่าเป็นอันตรายกับเขาเขาโดยสัญชาตญาณเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาท่านี้เอง โ ด, โดยธรรมดาแสัตว์ก็เหมือนคนอ่ะไม่อยากจะไปมีเรื่องกับใครหรอกนอกจากว่ามันรู้สึกว่าต้องป้องกันตัวเองเท่านั้นถึงทําไปโดยสันชาติตยานนี่ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเราเจอสัตว์เราก็ต่างคนต่างอยู่เขามาทางนี้เราก็เดินไปทางนู้นเสียก็ไม่มีปัญหาอะไรโดยท่าจ่เอกันก็ยืนพุทโธพุทโฌหลับตาไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาก็าไป อย่างหลวงปูอ่อะนะหลวงปู่ชอบท่านชอบเดินเดินทวดดงตอนกลางคืนตอนกลางวันมันร้อนท่านเลยเดินทุดดงตอนกลางคืนตอนที่ท่านเดินท่านก็มีโคมไฟที่เป็นผ้าแล้วก็มีเทียนจุดอยู่ท่านก็ถือคมไฟเดินไปแล้วท่านก็ภาวนาไปบริกรรมพุโทโธเจริญสติของท่านไป <c oughs> คืนหนึ่งท่านบอกท่านเดินไปเจ้าเอกับเสือโค้ง พอเห็นเสือโค้งปั๊บนี้จิตของท่านมีสติอยู่มันก็วุบลงไปเลยเข้าไปรวมเป็นสมาธิเลยพอจิตเข้าไปแ้่งนาปั๊บร่างกายก็หายไปเสือก็หายไปไม่รู้อะไรเลยสักหรือแต่ตัวรู้ตัวเดียวท่านบอกล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ในสภาพนั้นนานหรือไม่นานพอเวลาถอนออกมาจากสมาธิแล้วเทียนที่จุดไว้ในในโคมโคมนั้นมันดับไปหมดแล้วมันไหม้หมดไปแล้วแล้วเสือเสืออะไรก็หายไปหมด ท่านก็ยังยืนในท่าเดิมอยู่นั่นแหละคือพอเราอยู่เฉยๆแล้วสัสตว์ก็ไม่มาทํำเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเขาจจะคิดว่าเราเป็นต้นไม้ก็ได้สัสตว์มันไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะเอ๊ะนี่มันยืนแข็งทื่ออยู่เนี่ยมันเป็นอะไรกันดัง้วไม่ต้องกลัวละนะ่ะเนียคอยมีสติไว้คอยมีสติประคับประคองใจไว้พอไปเจอภัยอันตรายตรงไหนก็พุโทโธพุโทโธไป ฝากเป็นฝากตายไว้กับพระพุทธเจ้าแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นกับเราสแสดงว่าลักษณะนั้นถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือการเตรียมตัวตายไปในตัวด้วยใช่ไหมครับอาจารย์นั่นแหละพระทุนองที่ท่านไปอยู่ในที่อย่างนั้นก็เพื่อที่จะไปทดสอบธรรมของท่านว่าท่านพิจารณาเห็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายหรือยังท่านพร้อมที่จะให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายหรือยังท่านจึงไปหาที่เหล่านั้นเพื่อที่จะได้พิสูจน์ เข้าห้องสอบพอไปเจอความตายท่านก็ปล่อยวางได้นิ่งเฉยได้ก็แสดงว่าใจท่านไม่ทุกข์กับความตายแล้วอันนั้นท่านก็ต่อไปหลังจากนั้นแท่านจะไม่กลัวความตายอีกต่อไปไม่จาเป็นจะต้องไปอยู่ในป่าในเขาหาความตายแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้จะตายเมื่อไหร่ตรงไหนก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจแล้วเพราะทาลายตัวความกลัวความกลัวความกลัวตายได้ ความกลัวตายก็เกิดจากความอยากอยู่นี่ยังไม่อยากตายพอทำลายความอยากอยากไม่ตายได้ปั๊บมันก็หมดปัญหาไปปัญหาอยู่ที่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเห็นด้วยปัญญาว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาก็ไปทดสอบดูไปเข้าห้องสอบดูน้องต้นก็ทำการบ้านก่อน พิจารณาไปเรื่อยสอนใจไปเรื่อยๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะวันใดวันหนึ่งเมื่อเราสอนไปเรื่อยๆเราก็ยอมรับว่าจริงๆนะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรายังไม่รู้ว่าเรายอมจริงหรือไม่ยอมจริงเราก็ต้องไปหาของจริงมาพิสูจน์เนี่ยพระที่พระท่านไปทุ ด, ดงไปอยู่ในป่า ก, กันก็เพื่อที่จะไปหาความจริงอันนี้กันไปหาเหตุการณ์ที่จะมาเขย่าวขวาัญจิตใจ ไปเจอความความน่ากลัวต่างๆแล้วดูว่าจะดับมันได้หรือเปล่าจะปองได้หรือเปล่ายอมตายได้หรือเปล่าหรือเวลาเจ็บก็เหมือนกันถ้าอยากจะรู้ว่ากลัวความเจ็บหรือไม่ก็ลองนั่งสมาธิไปนั่งไปนานๆเวลามันเจ็บก็ดูซิว่ากลัว้วไม่กลัวถ้ากลัวก็นั่งไม่นั่งต่อไปไม่ได้ต้องขยับแข้งขยับขาถ้าไม่กลัวก็นั่งต่อไปเฉยๆได้มันจะห า, หายหรือไม่หายก็อยู่ก็มันได้ ยอมรับมันได้ว่าเป็นความเป็นความเจ็บเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บห้ามมันไม่ได้แต่ใจอย่าไปเจ็บกับมันเท่านั้นเองที่มันทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจความเจ็บของใจเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปนี่เองมันเลยทำให้เกิดความเจ็บทางใจขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความเจ็บทางร่างกาย ถ้าไม่มีความอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปมันจะไม่ทุกข์เลยมันจะไม่เดือดร้อนเลยความเจ็บของร่างกายนี้มันเป็นเสี้ยวเดียวทนั้นถ้าเปรียบเทียบกับความเจ็บของใจหนึ่งต่อสิบหรือหนึ่งต่อร้อยพราะความเจ็บส่วนใหญ่ไม่เกิดคือความเจ็บทางใจไม่เกิดความเจ็บทางร่างกายก็จะเป็นสิ่งที่ใจรับได้อยู่กับมันได้ไม่ต้องขยับร่างกายก็ได้นี่คือวิธีการต่าง ในการที่เราจะาแก้ปัญหาคือความกลัวความแก่ความเจ็บความตายนี้ให้หมดไปจากใจได้ต้องกระเชิญกับมันต้องเจอมันแล้วก็สอนใจให้ปล่อยวางยอมรับมันอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปอยากให้มันหายไปเพราะทําไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยที่จะไปห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือห้ามใจของเราไม่ให้อยากได้ทำสอนใจให้เป็นอุเบกขาให้อยู่เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ได้ด้วยการยอมยอมหยุดเย็นเข้าใจยอมรับความจริงก็จะหยุดความอยากพอหยุดความอยากได้ใจก็จะเย็นจะสบายั่ามีอะไรไหม ค, คุณต่อหมดนะครับอาจารย์ไม่ไมีถามเพิ่มเตมิมไหมครับ ไม่มีก็คิดว่าจะขอยุติการทนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเถินท่านที่มาข้างหลังทีหลังยังอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้มีหนังสือซีดีจาก ใครอยากจะถามอะไรไหมโอกาสให้ถามอีกรอบหนึ่งเอาไมเดี๋ยวเอาไมเอาไมเอาไม้เสียบไมหน่อยถาได้เลครับอาจารยรัศกรค่ะพอดีโยมนั่งสมาธินะคะแต่ทีนี้ปรากฏว่าเวลานั่งนั่งไปเนี่ย ตอนแรกก็โอเคนะคะหลวงพ่อแต่ว่าพอช่วงหลังๆนี้เหมือนกับดิ่งไปเลยนะค่ะมันเหมือนก็ดิ่งก็ดีเดิงแล้วมันนิ่งก็เปล่าแล้วดิ่งมันเป็นจรวดดิ่งแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกก็เปล่าอ๋อไม่ไม่ค่ะถ้าดิ่งแล้วมันนิ่งสงบก็ใช้ได้แสดงว่ามันลงลงเร็วมันรวมแล้วจิตดิ่งนี่แสดงว่ามันรวมทีนี้ว่าตอนที่ดิ่งไปเนี้ถ้าเกิดเราติดอยู่ในอารมณ์นั้นนะค่ะ ปัญหาคือโยมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโยมติดสมถะนะคะยังไม่ติดเรายังไม่มีมยังไม่มีสมถะจะไปติดได้ไง อ, อ๋อค่ะเพราะว่าจะมีอารมณ์ของเรื่องความหมุดหงิดอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าผิดหรือเปล่าผิดทางหรือเปล่าความหงุดหงิดมันเป็นกิเลสมันความเกิดจากความอยากออยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่เข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งเลยทําให้หงุดหงิดใจออาจจะไม่เข้าใจเรื่องสมถะเรื่องสมาธิอ คิดว่าเราติดสมาธิทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่ชำนาญในเรื่องสมาธิเลย <c oughs> การปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นต้องปฏิบัติให้มากยังไม่ถือว่าติด <c oughs> เราต้อง <c oughs> ชำนาญเข้าออกได้ <c oughs> อยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้อยากจะนั่งได้นานเท่าไหร่ก็นั่งได้อย่างนี้ถึงเรียกว่าชำนาญถ้าชำนาญแล้วต่อไปต้องออกทางปัญญาแล้ว <c oughs> ถึงจะไม่ติด ถ้าทําทแต่สมาธิอย่างเดียวไม่เคยออกทางปัญญาไม่เคยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เคยพิจารณาอสุภะเลย <Okay. S 2> อย่างเนี้ถึงจะเรียกว่าติดแต่ตอนต้นนี้ยังไม่ยังไม่ได้อยู่ที่ขั้นปัญญายังอยู่ที่การสร้างสมาธิก็ต้องทําให้มากๆ ก, ก่อนทําไปเถิดปีสองปีอยู่กับสมาธิ น, นี่ไม่ถือว่าติดหรอกคือถ้าดิ่งก็ปล่อยดิ่งไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะให้มันนิ่ง ใ, ม, งใมันเป็นอุเบขาสักแต่ว่ารู้แล้วให้มันอยู่เฉยๆอย่างนั้นให้นาน มันเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จกําลังใจ <c oughs> ใจจะต้องมีความสงบถึงจะใช้ปัญญาต่อสู้กับตันหาความอยากได้ <c oughs> ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบไม่มีแรงที่จะสู้กับตันหาความอยากเพราะการพิจารณาปัญญาก็เพื่อที่จะให้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปดัง <c oughs> <c oughs> นั้นในเบื้องต้นนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญญา ถ้าเรายังไม่ชํานาญเรื่องสมาธิยังไม่สามารถสั่งให้มันเข้าออกได้ตามที่เราต้องการอต้องการให้มันสงบเท่าไหร่ก็ทําได้อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าชํานาญ mm hmm. เมื่อชํานาญแล้วเทนี้เราถึงต้องค่อยไปทางปัญญาสําหรับกับการนั่งสมาธิสมาธินี้ทิ้งไม่ได้ต้องสลับกันเ mm hmm. วลาอเราจากสมาธิมาพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้คิดไปในทางไตรลักษ ไม่คิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพื่อจะได้ตัดความอยากได้สิ่งต่างๆไปถ้าเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์เราก็ไม่อยากได้ใช่ไหมถ้าเห็นแฟนเป็นทุกข์นี้เราอยากจะได้แฟนหรือเปล่านี่เราไม่เห็นว่าเป็นทุกข์กันเราเห็นว่าเป็นสุขกันหลายความจริงมันเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กันแน่าต้องตีติดฉานี้ให้แตกต้องให้เห็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขนี่มันเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเราไม่เห็นตรงนี้เราไม่เห็นว่าได้มาแล้วสักวันต้องจากกันะเวลาจากกันนิสุขทุกข์นั่นแหละคือปัญญาต้องมองให้เห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความไม่เที่ยงเพราะความเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปห้ามไปสั่งเขาได้เวลาเขาจะแจกไปให้เราห้ามได้หรือเปล่าสั่งได้หรือเปล่า เขาจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไห ม, มนั่นนะถึงเรียกว่าเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจจงทุกข์ังอนัตตาเราก็จะตัดความอยากไปได้นี่คือหลักของปัญญาแต่ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะมีกำลังสู้กับความอยากอตอนนี้เราก็รู้ว่าอนิจจงทุกขังอนัตตาแต่ไม่มีสมาธิไม่มีกำลังพออยากก็บับก็กระโดดมั๊กเลยใช่ไหมนั่นแหละ เราต้องสร้างสมาธิให้ใจเป็นอุเบกขานิ่งเฉยก่อนพอเห็นอะไรถึงแม้จะอยากก็ยังไม่กระโดดยังมีเวลาพิจารณาก่อนใช่ไหมมีเวลาพิจารณาได้ก่อนนั่นแหละก็แล้วแต่ก็มีบางครั้งนะคะที่ว่ามีอารมณ์ประมาณว่ามันเบื่อเบื่อทุกอย่างเบื่อชีวิตเบื่ออะไรที่นั่นก็เป็นความอยากอยู่แบบหนึ่งใช่ไหคะเป็นการอยากหนีอยาไหมก็อยากนี้ก็ผิดอีกเบื่อเบื่อได้แต่อย่าไปหนีมันเบื่อก็อยู่กับมันไป เพราะงครั้งโยมนี่อยากจะเลาออกจากงานบ่อยมากแล้วเบื่ออะไรประมาณอย่างนี้ด้วยถ้าเบื่อแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใช้ได้เพราะว่าเป็นการอย่าไปภาวนาอยากเป็นการไปรักษาใจไงอตอนที่เราเบื่อเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราอยู่ด้วยมันทําให้ใจเราทุกข์เราก็อยากจะทิ้งมันไปอันี้เบื่อแบบนี้ไม่เป็นไรแต่เบื่อแบบอยากฆ่าตัวตายเงนี้ไม่ถูกเบื่อเราไปทําบาปเนี่ยไม่ถูกเบื่อเราไปทําบุญเนี่ยถูกเข้าใจคไหม เบื่อเที่ยวก้าเงินไปเที่ยวนี้ไปทำบุญแทนอย่างนี้เบื่อซื้อเสื้อผ้าเบื่อซื้อกระเป๋ารองเท้าก็เอาไปซื้อเอาไปทำบุญแทนอย่างี้ถ้าทางนี้เบื่อแบบนี้เป็นธรรมถ้าเบื่อแล้วไปทำบาปนี้เบื่อสิ่งนี้กอะไรไปกินเหล้าแทนอย่างนี้ไปซื้อเหล้ามากินแทนเบื่อแบบนี้ไม่ดีเบื่อแล้วไปทำบาปไม่ดีแต่ถ้าเบื่อแล้วไปทำบุญดีมีใครอยากะถามอะไรไหม อ่เอาไหม่ไปเอาใหม่ต้อาใหม่ามาม ก, การนมัสการค่ะก็มีการปฏิบัติทำโดยการทําสมาธินะคะอ่าเท่านั้นอ่ะพูกลใกล้เลในการทําสมาธินะคะเอ่อไม่จะมีสิ่งที่มารบกวนอย่างเช่นมดหรือแมลงอะไรมาไต่มาตอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือความเจ็บปวดกรณีความเจ็บปวดนี่เราสามารถจะมีการผ่อนคลายในขณะที่เรายังคงนั่งอยู่ แต่ผ่อนคลายได้หรือไม่คะแล้วยังถือว่าเป็นการทําสมาธิอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนท่าอย่างนั้นใช่หรือไม่อีกส่วนหนึ่งที่ว่ามดมาแมลงไต่ตอมเนี่ยบางทั้งมันก็จะเข้าจะมาเข้าหูเข้าจ ม, มูกอย่างนี้เรามีทางไหนที่จะแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะกั บ, บคุณคะ่ะก็กางมุ้งใสร็จกางมุง้งแล้วไปนั่งที่ที่มดมันไม่ไปถ้ามดมันไปก็ร่อน้ําตั้งเตียงแล้วก็ล่อน้ําไม่ให้มัน อย่างกุฏิพาดี๋ยวนี้สร้างใหม่นี้จะจะมีที่ที่มีมีล่องน้ำรอบกุฏิไม่ให้มันขึ้นขึ้นกุฏิแล้วในตัวห้องก็มีมุ้งลวดของตรนี้เราเราแก้ได้ปัญหาเรานี้ต้องใช้ใช้การวิเคราะห์ดูว่าทำอย่างไรที่จะกันไม่ให้หมดแมลงมารบกวนท่านมาอยู่ในป่านี้เขาก็มีกรดมีมุ้งกันแล้วแค่ที่นั่งอยู่ในป่าเขาก็จะมีที่กันมดกัน ปกติก็ทาน้้ำมันที่รอบเสาวไว้มดมันได้กิ่นน้ำมันมันก็จะไม่ขึ้นส่วนมาแรงที่บินพวกอะไรพวกยุงหรืออะไรแบบนี้เราก็ใช้มุ้งกันเอาไว้ส่วนเวลาเจ็บนี่มันอยู่ที่ว่าเราต้องการปฏิบัติขั้นไหนคือทุกคนเวลานั่งแล้วมันจะต้องเจ็บถ้าเจ็บแล้วเราไปขยับมันก็จะเสียสมาธิไปเหมือนกับเราไปเริ่มต้นใหม่ ถ้าเราอยากจะรักษาสมาธิไว้ก็ต้องอย่าไปสนใจกับความเจ็บถ้าเราใช้คําบริกรรมก็พยายามเกาะติดอยู่กับคําบริกรรมอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เดี๋ยวมันจะสงบแล้วความเจ็บก็จะหายไปได้ขอให้บริกรรมให้ถี่ขึ้นถ้ามันยังไปคิดยังไปแวบยังไปคิดถึงความเจ็บอยู่อยากจะให้ความเจ็บหายก็ต้องบริกรรมให้มันถี่ขึ้นอย่าไปให้มีมีช่องให้มันไปคิดถึงความเจ็บ อย่าไปสนใจความเจ็บพอเราลืมความเจ็บได้แล้วความเจ็บนั้นจะไม่เป็นปัญหาขอให้เราเกาะติดอยู่กับคําบริกรรมไปถ้าเราขยับแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเรามาเริ่มต้นใหม่จิตมันมันใกล้จะสงบแล้วมันก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ปัญหาของการนั่งสมาธิส่วนใหญ่ก็คือสติไม่มีกําลังพอนั่นเราต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยก่อนที่เรามานั่ง ในชีวิตของเราตั้งแต่ตปิดจรหลัน้นี้ท่านบอกจเจริญสติได้เราพุโทโธได้ตลอดเวลาเป็นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธได้แล้วไม่พุโทโธกันเราเตื่นขึ้นมาก็คิดแล้ววันนี้จะไปทําอะไรคนนู้นเรื่องนู้น เ, เรื่องนี้แล้วถ้าอยู่กับพุโทโธเรียบตัวไปทํางานก็พุโทโธไปเรื่อยๆอาบน้ําอาบท่าน้างหน้าล้า ง, างตาแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไป จะหยุดพุโทโธก็ต่อเมื่อเราต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยุดชั่วข่าวถ้าต้องคิดเรื่องการวางแผนการทํางานวนะ่าวันนี้จะไปทําอะไรไปพบปากกับใครก็หยุดพุโทโธไปพอคิดเสร็จแล้วเราก็กลับมาพุโทโธใหม่หรือถ้าจะหยุดพุโทโธอีกกรณีนึ่งก็คือต่อเมื่อเราไม่คิดอะไรนะใจเราว่างใจเราเฉยเฉยไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ในปัจจุบันอยู่เราก็ไม่ต้องคิดเราก็ไม่ต้องพุโทโธ ถ้ามันคิดปั๊บเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธนี่เป็นเหมือนเบรกความคิดความคิดเป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราต้องการให้รถยนต์มันจอดอยู่นิ่งเราก็ต้องคอยแตะเบรกไว้ <c oughs> ถ้ามันนิ่งแล้วเราก็ถอนเบรกได้พอมันจะไหลเราก็เหยียบเบรกใหม่เยพุโทโธก็เป็นอย่างนี้เป็นคู่ต่อสู้กับความคิดเ <c oughs> พราะความคิดจะทําให้ใจเราไม่สงบใจไม่สงบเราก็จะไม่เจอของดี ไม่ได้เจอของของวิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเจอกันก็คือความสงบดังนั้นเราต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้เจอความสงบอย่างแน่นอนอถามอยากจะทราบว่าการภาวนาจนถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจิตที่รวมอะค่ะจะมีสภาวะ เป็นเช่นไรแล้วก็ถ้าทุกคนที่ภาวนาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยจะมีสภาวะเช่นเดียวกันทุกคนหรือเปล่าเจ้าคะเหมือนกันหมดมันจะวูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบสบายสัตวารู้เป็นอุเบกขาไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรไม่สนใจอะไรมันจะมีสองลักษณะบางทีร่างกายหายไปเลยเหมือนลอยอยู่ในอวากาศ มีลักษณะหนึ่งร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่สนใจกับร่างกายร่างกายจะรู้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่ไม่ลาคานใจได้ยินเสียงก็จะไม่ลาคานใจมันจะเป็นอุเบกขามันจะวางเฉยเป็นสองลักษณะด้วยกันเป็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วมีอีกลักษณะหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนก็คือ พอสงบแล้วมันออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆภายในนิดๆต่างๆไปเห็นกายทิศไปเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นอดีตเห็นอนาคตอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ออกนอกออกข้างนอกเป็นอุปจารสมาธิไม่ใช่เป็นอัปปนาสมาธิถ้าเป็นอัปปนาสมาธิมันจะนิ่งเฉยเป็นอุเบขาสักแต่ว่ารู้สมาธิที่เราต้องการก็คืออัปปนาสมาธิ ว่าอัปปนาสมาธินี้จะเป็นฐานเป็นกำลังของปัญญาต่อไปถ้าเป็นอุปจารสมาธินี้จะไม่มีกำลังเวลาได้อุปจารสมาธิเหมือนกับได้ไปเที่ย ว, ไ ป, ยวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอพอจะไปทำงานก็ไม่มีแรงไปทำงานถ้าอุปจาระถ้าอัปปนาสมาธินี้เหมือนกับพักผ่อนหลับนอน พอไปทํางานก็จะมีกําลังไปทํางานงั้นถ้าเราไปเจออุปจรารสมาธิเราต้องดึงมันกลับมาเข้าไปในอปปนาด้วยการใช้บริกรรมพุทโธต่อไปอย่าปล่อยอย่าตามมันไปอย่าปล่อยให้มันออกไปรู้เรื่องราวต่างๆดึงกลับเข้ามาหาตัวรู้ก็ได้ด้วยดึงกลับมาที่บริกรรมพุทโธก็ได้ให้มันสงบอย่างให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันเป็นอุบเบกขาให้มันมีความสบายแค่นี้พอ อย่าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะมันจะทำให้ใจเหนื่อยใจต้องทำงานขออีกครั้งนะคะแล้วกอก็อเคยมีครั้งหนึ่งที่ว่าเหมือนกับว่าสมาธิหลับไปเลยนะคะแล้วก็ รู้สึกตัวอยู่แต่เห็นว่าเก็นกลนอนกลก็ได้ยินเสียงนั่นหลัหลับแสดงว่าหลับคือได้ยินเสียงกลตัวเองแล้วบางทีก็เห็นเหมือนกับสว่างเหมือนกับข้างนอกอย่างสว่างอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่ได้ลืมตาไม่ได้เสกความรู้สึกเป็นอย่างนั้นมันครึ่งหลับครึ่งตื่นมันไม่ใช่เป็นสมาธิซึ่งสติมันอ่อนกำลังสติมันหมดกำลังมันก็เลยหลับพอมันมีสติใหม่มันก็รู้ว่าออเมื่อกําลังกลอยู่มันไม่ใช่เป็นสมาธิ พระสมาธิมันจะตื่นเหมือนกับเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยจะรู้สึกตัวตลอดเวลา mm hmm. เพียงแต่ว่าไม่มีความคิดตรุงแต่งไม่มีความหนัก อ, อกหนักใจ mm hmm. มีความเบา อ, อกเบาใจมีความหนักแน่นได้ยินเสียงอะไรได้ได้สัมผัสรับรู้อะไรก็เฉยไม่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่สัมผัสรับรู้ mm hmm. อันนี้ต้องเป็นสันติโกที่บอกนี้เพียงแต่ให้ให้เห็นภาพคร่าว ต้องเห็นของจริงต้องต้องให้มันเกิดขึ้นเองแล้วไม่ถามใครไม่สงสัยอ่ามันจะมั่นใจกว่าแน่ใจกว่าอย่าไปคาดอย่าไปคณนว่าเอยเราเป็นอัปปนาได้ยังเรือเป็นอุปจาระเอย่าไปคิดอย่างนั้นให้มันเป็นเองขึ้นมาอ้าวถ้าไม่มีเราก็จะขอยุติไว้เพียงแค่ น, นี้น ะ, อะขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัต เอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด